เมื่อวานใครไม่ได้มาฟังเทศมารับศีลเมื่อวาน <c oughs> <c oughs> าตรงนี้มีดรหมูนะพาพวกเรานำนำพวกเราพาพวกนพาพวกเราครูบาอาจารย์พระเจ้าประสงค์นเนี่ยท่านเจ้าคุณเจ้าคณะจังหวัดเนี่ยมาเป็นกำลังใจให้กับพวกเราพวกเราอย่าให้เสียโอกาสกันแล้วกันแ่ะ นี่เนี่ยด็อกเตอร์เพิ่นพาทำเดือนละสองครั้งใช่ไหมเดือนละสองครั้งโอ้หาโอกาสที่ไหนเหมาะขนาดนี้บางแห่งเขาเอาแค่เดือนละครั้งอันนี้เดือนละสองครั้งตรงนี้เลยกลายเป็นบุญยะสถานเป็นที่ทําบุญเป็นที่สร้างบุญบุญคือความดีถ้าไม่มีพุทธเจ้ามาปลูกฝังเอาไว้พวกเราก็ไม่รู้แหละคนเราถ้าไม่มีเรื่องศีลเรื่องธรรมมาเกี่ยวข้อง ไม่มีเรื่องศีลเรื่องธรรมมาเกี่ยวข้องพูดถึงความเห็นแก่ตัวมันไม่เกินมนุษย์พวกสัตว์พวกอะไรเนี่ยเขาเอาแค่เอากําลังข่มกันเท่านั้นเองแต่มนุษย์เนี่ยกําลังสู้กําลังไม่ได้ใช้สติใช้ปัญญาใช้อาวุธใช้อะไรแทนกันหมดมนุษย์เนี่ยไปมากกว่าสัตว์อีกเพราะฉะนั้นมนุษย์ไม่มีศีลไม่มีธรรมเนี่ยจะร้ายกาดโลกนี้ทําให้ประลายกันชั่วพริบตาเดียวก็ได้เลยแต่ด้วยเหตุที่มนุษย์ มีมีธรรมะมาแล้วที่เขาเรียกว่ามนุษยธรรมถ้ามีคุณธรรมไม่พอจะเป็นมนุษย์เนี่ยเรามาโผลไม่ได้ดอกเกิดเป็นมนุษย์เนี่เกิดยากเกิดเป็นมนุษย์เนี่เกิดได้ยากเกิดเป็นมนุษย์แล้วเนี่เกิดเป็นมนุษย์มาแล้วเนี่ยการที่จะมีชีวิตอยู่นี่ยก็ยากที่ท่านพูดถึงสิ่งยากยากเนี่ยพระพุทธเจ้าก็อบัตยากการที่เราจะได้ฟังเสียงอัดเสียงธรรมของพระพุทธเจ้านี่ก็ยาก ฟังแล้วเราจะเข้าใจทั่วถึงธรรมะของพระพุทธเจ้าก็ยากแต่สิ่งที่ยากๆทั้งหมดนี่ตอนนี้อยู่ในกำ ม, มือเราอยู่ในกำ ม, มือของพวกเราทั้งนั้นกลายเป็นว่าพวกเราจะต้องรับประกันให้กับตัวเองนั่นนะฟังคติธรรมลงตาอยู่ที่หน้าสลานะ่ะพวกเราจะต้องรับประกันตัวเราเองเราจะต้องช่วยเหลือตัวเราเองเราจะต้องอัตตาหิอัตโนนาโธเราจะต้องเอาความดี มากำกับกิริยากายกิริยวาวิจาและกิริยายใจของเราเองความดีที่เรามาเสริมให้เกิดคุณภาพของมนุษย์ที่ดีขึ้นนี้แหละถ้าเรียกว่าบุญบุญปุญญะปุญญ์ยังภาษาบาลีภาษาไทยก็คือความดีบุญแปลว่าความดีเราไปเอาตัวอย่างลูกเศรษฐีสีคนเนี่ยเนี่ที่ดรท่านเอามาเป็นคติอยู่หน้าหน้าศาลาเนี่ยไม่ได้ น, นั้นอะ ไปรำพึงรำพันในหม้อนรกเนี่ย น, นะไม่ได้ประโยชน์อะไรแหละใครยังไม่เคยจายไปอ่านให้เข้าใจนั่นอ่ะสี่แผ่นนั้นอ่ะทุษณะโสไปดูในตำนานทธนว่าเสษฐีมีเสดธีสี่คนลูกเสดธีท่านนั้นแหละเกิดมาไม่ต้องทำหากิน่ะเพราะแม่ร่ำรวยมหาศาลแค่อยู่แค่กินก็สะดกสบายใช้สอยสะดวกสบายไม่ไม่อดไม่อยากไม่อดไม่อั้นเวลาเขาไม่เจอหน้ากันแล้วก็ เขาพูดกันถึงเราไปสแสวงหาอะไรถึงจะมีความสุขทำไงเราถึงจะมีความสุขไอ้คนหนึ่งว่าไปหากินในที่ดีๆหารสชาติดีๆไปที่เที่ยวดีๆไปที่อะไรสบายดีๆไอ้คนหนึ่งในหัวแหลมกระมือเฮ้ยลูกเขาก็ตามเมียใครก็ตามเนี่ยเรามีทรัพย์มากเราไปให้จ้างอะไรเขามาบารุงบำมเรอไอ้สิ่งเหล่านี้มันเป็นยอดอาหารของกิเลศอยู่แล้ว เรื่องยอดของกาล ม, มันเป็นเรื่องยอดของกิเลสอยู่แล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นสามสี่คนเขาเลยมาติดอยู่กับไอ้คาสุดท้ายเนี่ยเพราะฉะนั้นตลอดชีวิตเขาเนี่ยเขามีทรัพย์มากใจเท่าไรเขาไม่อดไม่หันนะผิดศีลข้อสามนะผิดศีลข้อสามตลอดชีวิตทุกคนตายไปแล้วไปตกนระกหม้อทองแดงด้วยกันตกหม้อทองแดงด้วยกันตั้งแต่ปากหม้อไปถึงก้นหม้อเนี่ยถูกน้ํามันเดือดขึ้นมาจากก้นหม้อมาถึงปากหม้อเนี่ยสองหมื่นปี สองหมื่นปีมนุษย์อจากปางมอไปถึงก้นมอเนี่ยสองหมื่นปีมนุษย์ทีนี้พอไปเดือดร้อนอยู่ในในหมอ้อนะรกนั่นแหละมักคิดได้ตอนอยู่ในหมอ้อแล้วเดีวจะเกิดประโยชน์อะไรเขาก็ระพึงระพันเนะราไปอ่านดูก็แล้วกันนะไอคนหนึ่งคิดว่าจะพูดสะสัต์ที่อะไรนะั่นเน่ะที่นี่อันนี้หลวงตาท่านเทศท่านพูดเป็นน้ำไหลไฟดับเลยหลวงตาท่านมหาด้ท่านพูดเป็นน้ำไหลไฟดับเลยลาา ด, ยดเนน ล, ยด เ, ลยดเตอเพิ่งก็มาเอามาจากที่หลว ง, งตาท่านเทศนั่นแหละม า, มาลงเนี่ย ไอ้คนที่สองก็คือพอไปโผล่คือมันเดือดไปแล้วไปโผล่ว่าจะพูดดยนั่นนๆๆพูดได้แค่สะตัวเดียวจมลงไปแล้วสะตัวเดียวไอ้คนหนึ่งก็โผล่ขึ้นมาเองอทุคนนึงพูดได้แค่ทุ้ยคนหนึ่งพูดได้แค่สะไอ้คนหนึ่งได้แค่ณนะไอ้คนหนึ่งได้แค่โสแล้วก็จมลงไปอีกแล้วประดาพึงรวมพันอยู่ในมอรมรกแล้วเมื่อไรจะพน้นเขาก็ตั้งความปรารถนาไว้ไประลึกตัวได้ในนรก แล้วเมื่อเราจะพ้นพวกเราพ้นไปแล้วต่อไปพวกเราจะไม่ประมาทในการทำบุญให้ทานเนี่ยเรื่องนี้มันเป็นเรื่องเกี่ยวกับกามโดยเฉพาะเลยพระเจ้าพระเจ้าประสธิโกศลเนี่ยพระเจ้าพระเจ้าประสิทธิโกศลเนี่ยท่านไปตระเวณเมืองท่านไปตระเวรเมืองผ่านไปอาคารหลังหนึ่งมีผู้หญิงคนหนึ่งเขามีสามีแล้วเนี่ยเขาโผล่หน้าต่างมาดู บอดีพระเจ้าพิมพิเศษเนี่ยเหลือไปเห็นพอดีอุงงามมากเหมือนกับพอเขาเห็นพอเขาก็หลบเขาก็หลบไปเหมือนกับพระจันทร์นี่มันหลบซ่อนเข้าไปในในกีบเมฆอย่างั้นเถอะติดอกติดใจเธอไปดูผู้หญิงในบ้านหลังนั้นมาดูแล้วมาบอกเราอืมเขาไปดูว่าเขามีสามีแล้วเออย่างนั้นให้สามีเขามาดูแลรับใช้เราอหวังจะฆ่าผัวเขาแล้วก็ยึดเมียเขาเนีพรยาประสิทธิที่โกศล ทีนี้ด้วยความเร่าร้อนของกามเนี่ยมีอยู่คืนหนึง่งนอนไม่หลับก็บสัตว์นรกเหล่านี้มันโผล่ขึ้นมาทุสระณโสนอนไม่หลับหมดทั้งวันทั้งคืนไปถามพระพุทธเจ้าไม่มีอะไรดอกประพิษนะทีนี้ไอ้สามีของคนของคนนั้นะ่ะให้เขาเอามาเขาก็มาปฏิบัติรับใช้อย่างดีหาเรื่องหาใบาวิธีที่จะฆ่าเขามีอยู่วันหนึ่งใช้ให้เขาไปเอาน้า กับดินสีอรุณที่สะโนดาดอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้สะโนะดาด <c ười> ไปเอาสีอรุณไปเอาดอกบัวแล้วก็ไปเอาน้ําที่สะโนะดาดเอามาให้เราเราจะเราจะเราจะสงเอามาประกอบเพื่อที่จะอาบพระเจ้าแผ่นดินได้มีอํานาจเด้เนี่ยโอ้ตายแล้วเราถูกแกล้งแล้วยังไงไงเพื่อจะหาเรื่องหาเรื่องจับผิดเราเพื่อที่จะฆ่าเราแน่ๆเน่ยว่าจะฆ่าผัวแล้วก็ยึดเมียเพราะไปชอบเมียเขา Ừ, ทีนี้ก็เป็นคนมีบุญพอสมควรพอล้างออกล้างออกจากบ้านไปกับห่อข้าวห่ออะไรไปก็ไปบวงสรวงไปอธิษฐานขอให้ทวยให้ว ย, ทวยทเทพเทวดาอะไรช่วยช่วยช่วยทีนี้พวกมีพวกหน้าพวกอะไรช่วยช่วยย่นย่อระ ย, ยะทางให้สั้นลงแล้วก็ช่วยให้ได้ดิดนเสียรุนแต่ว่าเธอต้องเอามาให้ทันเวลาเราส่งน้ำนะระยะทางอยู่ไกลเท่าไหร่ก็ไม่รู้ ถึงกระนั้นก็ตามไม่แน่ใจว่าบางทีเขาอาจจะไปด้วยบุญโดยริดของบุญของอะไรเนี่ยก็เลยไม่แน่ใจปิดสั่งให้ปิดประตูเมืองตั้งแต่ก่อนถึงเวลานะทีนี้นายคน น, ยนี้ก็นายคนนี้ก็ถูกพวกหน้าพวกอะไรเขาช่วยเขาช่วยแล้วก็ได้ดินเสียดูนมามาถึงประตูตั้งแต่ก่อนก่อนถึงเวลาสงฆ์ฉลามมาประตูก็ถูกปิดเข้าไม่ได้ก็เลยทิ้งของไว้ตรงนั้นแหละรู้ว่าพระยาปราชาแกล่งและจะฆ่าว่างั้นเถอะจะฆ่า ออืจะค่ะทีนี้พระเจ้า พ, พอพอดีแล้วก็ทิ้งไว้เสร็จแล้วก็ไปไปเฝ้าไปกราบไปกราบพระพุทธเจ้าแล้วก็เฝ้าแล้วก็อยู่ที่เชียตะวันอยู่ที่นั่นแหละอ่าทีนี้พระเจ้าประเสิทธิ์หน้าที่ก่อสนคืนนั้นตั้งคืนเงินสักนรกสี่ตนนี่แหละมันมาโผล่นะคนหนึ่งก็ได้ทุกคนหนึ่งได้สักคนหนึ่งได้นะคนหนึ่งได้นนนไดโศก็เลยกลัวมากเลยก็เลยไปถามพุทธเ จ, าธจาวว้าพระพุทธเจ้าบอกมันไม่มีไม่ใช่อะไรดอกมหาปิฏ สัตว์นรกสี่ตนนี่แหละมาโผล่เขาทำพึงทำพันยังงั้นังั้นยังงั้งง า, าไปเดือดร้อนอยู่ในนรกอย่างงั้นยังงั้นยังงั้นเราไปอ่านดูเนื้อหาเนี่ยทุสานะโซเนี่ยทีนี้เพราะอะไรก็เพราะสัตว์นรกสี่ตนนี่สมัยเขามีชีวิตอยู่เนี่ยเขาใช้ทรัพย์สมบัติมากมายมหาศาลไปบํารุงบําเรอไปจ้างผู้หญิงผัวเขาเมียเขาอะไรอะไรมาบํารุงบำเรอตัวเองเนี่ยตลอดชีวิตอยู่เนี่ยตายแล้วก็ไปตกนรก วั น, นีมันก็มาเข้ากับพระเจ้ารพระเจ้าประเอสณาที่ก่สรณพอดีนะทศนี่เพราะกำลังเรา่าร้อนด้วยอํานาจกามที่จะยึดเมียเขานี่เนี่ยเข า, เขาพระพุทธเจ้าก็เลยบอกว่าพระพุทธเจ้าพระพระุทธเจ้าทายเสร็จพระพุทธเจ้าทายเสร็จก็ก็ให้คนที่รับใช้นี่กับกับพระเจ้าประเสนาี่เห็นเห็นกันพอเห็นกันก็เลยระลึกได้ระลึกได้ก็เลยยกโทษยกอะไรให้เขาแล้วก็ปล่อยเขาไปมี ความอยู่ธรรมากินมีความสุขอยู่กับครอบครัวเขาเหมือนเดิมก็เลยล้มล้มเลิกไอ้ที่จะยึดเมียเขานี้ท่านพูดท่านเอาเรื่องของศินสินข้อสามไปพูดศิลข้อสามนี่เมื่อคือนเราก็พูดศิลข้อสามนี้ถ้าใครรมะมัดระวังเรื่องศินข้อสามได้เพราะสังคมทุกวันนี้เป็นสังคมคลุกคลีการทํางานทําการอะไรต่ออะไรเนี่ยเรื่องของ กามกคุณนี่มันรุนแรงมากเรื่องรูปเรื่องเสียงเรื่องกลิ่นเรื่องอะไรอย่างอื่นมันเป็นเรื่องธรรมดาแต่เรื่องระหว่างเพศกับเพศแล้วเนี่มันเขาถือว่าเป็นยอดของกามกคุณต้องระวังใครระวังเรื่องเหล่านี้ได้รักษาสินข้อสามได้บริสุทธิ์คนนั้นมีหิริมีโอตปะสูงมากสินข้ออื่นถือว่าตกไปแล้วสินข้ออื่นอ่ะแทบไม่ต้องฆ่าสัตว์แทบไม่จําเป็นฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ผู้เทพ แต่พูดเท็จน่ยค่าขายนี่ก็ต้องระวังพูดเท็จออกจากปากหลักฐานเท็จด้วยลายมือกิริยาอาการเท็จด้วยกิริย า, าการที่แสดงออกสิ่งนี้มันเป็นศีลมันเป็นธรรมไปหมดแหละท่านจึงให้ระมัด ร, ระวังและอีกสิ่งหนึ่งเป็นพวกยาบ้ายาเมาเนี่ยกินไปแล้วมันไปกดไปทับประสาททาลายสติของตัวเองเนี่ยศีลข้อหาท่านให้ระมัด ร, ระวังถ้าผิดศีลข้อเดียวเนี่ยข้อหนึ่งข้อ2ข้อสาข้อสี่ อาจจะอาจจะผิดได้ง่ายเพราะคนไม่มีสติไม่มีสติคือไม่ไม่ไม่เป็นผู้เป็นคนแล้วคนเราพลอยจะมีเป็นผู้เป็นคนได้ ก, ก็เพราะว่ามีสติมีสมัมผัจัญญะรู้จักผิดชอบชั่วดีรู้จักระงับยับยัง้งเพราะฉะนั้นไปกินอันนั้นมันไปทับประสาทสมองของตัวเองเส็แล้วก็ไม่เคยไม่เคยร้องรําทําเพลงอ่ะพอเมเอาแล้วร้องได้รําได้ไม่มีความร้ายละ บางคนเมาจนหมดความรู้สึกแหละเดินสูงสูงต่ำๆล้มนอนหมาเหลียป่ามันลงตาท่า น, นเทพได้ฟังนั่นแหละฟงเมาเนี่ยอตอนเมาเนี่ยสุขเหลือเกินมีความสุขเหลือเกินโลกของเราโลกเขาเรานอนบนพื้นดิน่ะพื้นดินของเรานอนอยู่นั้นแหละเราเคยเห็นแล้วตามชาวบ้านน่ะนู่นมันโพนเนี่ยพอถึงบุญพระเวทบุญเดือนสี่เขาเนี่ยโอ๊ยกิ น, นบางคนกินจนนอนอยู่สนามลานวัดนั่นแหละ เขาไปไหนหมดแล้วก็ละนอนอยจนนั่นแหละเพราะอะไรเพราะมันเอาตัวไม่รอดละนะมันเมาจนเอาตัวไม่รอด ท, ที่เขาที่เขาว่า น, นอนแล้วก็หมาก็มันก็ไปเดินหากินอันนี้ ม, มันเปนกระฮาดได้ไอเจียนธาดหมาก็ไปเที่ยวเลียปากเหมือนกับว่าจริงๆอะ่ะนี่คือสิ่งเหล่านี้มันทําลายเราสิ่งเหล่านี้ก็คือเป็นสิ่งทําลายคุณสมบัติของมนุษย์ เพราะฉะนั้นบุญจึงเป็นคุณสมบัติมาเสริมคุณภาพให้กับมนุษย์เราแคเา่เรารักษาศีลหครบสมบูรณ์บริบูรณ์เนี่ยเราต้องการมรรคผลเนี่ยเราทําได้แต่ถ้าหากทําศีลห้าบินไปข้อใดข้อหนึ่งไอ้ตัวนี้แหละมันจะเป็นตัวเหนี่ยวตัวรั้ง เ, เราเอาไว้ใครใครมีความประสงค์จะตั้งใจรักษาศีลจะตั้งใจปฏิบัติทําให้มีความเจริญข้าวหน้าอย่าลืมตั้งใจรักษาศีลด้วย เพราะศีลนี่มันช่วยระงับกิเลสหยับหยาบได้ที่กายที่วิจามันทะลักออกมาทางกายระงับได้ด้วยศีลระงับออกมาทางวิจาระงับได้ด้วยศีลอ่ามันอยู่ที่ใจท่านก็ให้เอาพุทโธระงับพุทโธพุทโธพุทโธระงับเข้าไปท่านท่านให้นึกกันปกติจิตมันชอบนึกชอบคิดท่านให้ตั้งตั้งเจจ้ำนองนึกคิดคิดพุทโธพุทโธพุทโธทำมัอยู่กับคำเดียวกลายเป็นว่า ว่าไปว่าไปว่าไ ป, าไปมันจะเ ร, เ, รเริ่มอิ่มเริ่มอิ่มเริ่มอิ่มเริ่มอิ่มถึงแม้ว่าเราจะไม่บริกรรมใ น, นเมื่อจิตอิ่มและจิตมันไม่หิวหิวอารมณ์หิวรูปหิวเสียงหิวกลดหิกลิ่นหิวรสหิวสัมผัสหิวเรื่องราวปัญหาสารพัด ท, ที่มันพานึกพาคิดพาหิวจิตที่มีความสงบนั่นแหละคือจิตที่เราบริกรรมอัดอาหารที่เป็นธรรมให้กับเขาพอเขาอิ่มแล้วเขาก็อยู่ถึงเราไม่บริกรรมเขาก็อยู่นานคือจิตเป็นตัวของตัว เนี่ยก็คือทําให้จิตของเรามีคุณสมบัติกายงามวาจางามใจงามกายมีบุญวาจามีบุญใจมีบุญบุญคือคนดีนี่คือความดีความดีให้ผลความสุขความเจริญกับเราเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นบุญยะสถานถึงการถึงคราวที่มีการจัดนัดนัดแนะกันพวกเราก็มารวมกันอย่าปล่อยโอกาสนี้ให้ล่วงไปาจากนั้นแล้วมีไปที่อื่นใครจัดใครทําตรวไหนไปอ่า เราถือการทำบุญเป็นอาชินกรรมอาชินวัตของเราเราเราได้เปรียบไม่ใช่ไปรู้สึกตัวตอนอยู่ในขุมนรกเหมือนสันนรก 3, นสามสี่ตนทุษณะโสถ้าเป็นอย่างนั้นเราก็เสียเปรียบวันนี้เราให้พรให้พรเสร็จแล้วก็ฉันเสร็จแล้วก็หมดเท่านั้นใช่มมีมแตแ ต, แต่ตอนนี้มีแค่นี้ใช่ไหม ตอนนี้มีคดีให้พรให้พรเสร็จแล้วก็ชันพวเรารับทานอาหารเสร็จแล้วเข้ามาอีกครั้งหนึ่งอ่าอ่าถวายเลยให้เสียดเลยก็ได้รับทานเสียดใครมีธนก็ไปทําได้เล ย, ยก็เสียจเล ย, ยอ่อาหอพิบาลสงหลงตามหาบุญญาสัมปันโนตึกนั้นอ่ะหลงตาช่วยไปตั้งห้าห้ารอยล้านโอ้ไม่ธรรมดานะ ช่วงช่วงระยะที่หลวงตาไมีชีวิตอยู่ก็ยังไม่ครบนะโอ้หลวงปุรีท่านเก่งมากหลวงปุรีเนะี่ยหลวงปุรีหาเพิม่มห้าหาเพิม่มหาเปะไปจนเต็มห้ารอยล้านตึกตึกหลวงตาตึกเก้าสิบปีหลวงตาเนะี่ยสิบชั้นชั้นที่แปดชั้นที่เก้าเนี่ยเขาให้เป็นเขาให้เป็นตึกสงเขาให้ให้เป็นหอสงใต้จาย์อินที่แรกเขาคิดว่าเอ้ห้าสิล้านเนี่ยเหลือบ้างไหม ปากันดำบริกันะเหลือถ้าเหลือเขาจะตั้งเป็นมูลนิธิพอดีไปามยา์สุใจอ๊ยหมอเขาหาเรื่องมาเบิกเบิกไปเบิกไปเบิกไ ป, ไปจนหมด <c oughs> เบิกไปจนหมด <c oughs> อาจารย์อินท่านก็พยายามจะเกีย่ยงตะกายตั้งเป็นมูลนิธิขึ้นมาว่าจะใช้ชื่อหลวงตาก็ยังใช้ไม่ได้ก็เลยใช้ชื่อใช้ชื่ อ, ใ ช, ชอใช้ชื่อท่านเองอ่าอ้ามีอะไรก็ทำอา ตั้งใจรับพออุทิศส่วนบุญไปมิรามดาปูญาตายายสับประศัพท์ทั้งหลายเจ้ากรรมในเวรทั้งหลายอุทิศส่วนบุญไปทนวได้บุญเพิ่มอีกสมมุติเราได้เราได้บุญ50เรซเราอุทิศส่วนบุญไปอีกได้50เอร์เซเพื่อเขาได้มานโมทนาเขาก็มีส่วนไ ด, ได้รับผลบุญจากการที่เราอุทิศให้ เป็นธรรมเนียมที่พุทธเจ้าท่านให้อุทิศส่วนบุญไปเป็นความฉลาดของเราคนเราสัตว์ทั้งหลายอยู่เพื่อแผ่ช่วยเหลือซึ่งกันและกันเราช่วยเขาเขาช่วยเราเขาตกทุกข์ได้ยากเขยพ้นทุกข์เขาประสบสุขและให้สุขยิ่งขึ้นไปสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงญาติของเรา <c oughs> ตั้งใจอุทิศส่วนบุญไปเอาพะโละละเอาพะโลกเอาปะโลกสักกนอ่พ ะ, ะโละก็ ยะทาวาริวะหาปูราปริปูเรนติสากขังเอวะเมวอิโตตินังเปตานังอุปกะปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิจฉะตุสเพปูเรนตุสังกปามจันโทปนระโสยะทามิโชติระโสยะทัง เอวิวายันตุสอยพรรโคววินาศตุมาเตภวายตันตารายโยสุขิ กายโกภวาภิวาทนนสิลิสานิจังวุฒาปัยญนวอนตารธรมมวาทานติอายุวันุสุขังบาลัง สัพพุทธานุภาเวนะชาปธรรมานุภาเวนะชาปสังฆานุภาเวนะพุทธรัตนาังมรัตนาังสังฆารัตนาังปินังร an ัตนานัง พาเวนะจตุราเสติสหสธรรมะขันธานุพาเวนะปิตาการายมเวนะจีนัสาวกานุพาเวนะสัพเพเตโรคาสัพเพเตภยยะ อันตรายาสเปตุปาวัสเปตุนิมิตาสเปตอาวมังคลานสันตุอายวัโกวันวัโกสิริวัโกยสวัโกบลวัโกวันณว สุขาวาทโกโหตุสาปทาทุคารุคาพยาเวราโสกัสสุจุปาทวังกอันตรายาปิวินาสันตุจเตชะสาชยาเสติธนางลาพังโสดทิภาขยัง พลังสิริอายุเาวันโนชาโพคังวุฒิเจียสวาสตวาสจาอายุนวาสิทธิภวันตุเตมภวตุสัพมังคังรักันตุสัพเทวตาสัพพุทธาม เวนัสธาสดีผวนตุเตมผวาตุซามังฆาลังราคันตุซพปเทวตาิสาปฏามานุเวนัสธาสดีผวนตุเตมผวาตุพพมังฆาลัง ตุสปเทวตาสาปะสังคานมภาเวนสะทาสทิมภาวันตุเตน่ไปเจริญเจญ